เป็นไงวันนี้ไม่ต้องทำงานเ น, นีเ่ยนอนเด็กเนี่ยเครื่องมาตรงเวลาป่ะเรนน่เมื่เนนเอเช้านี้ก็มีลูกศิษย์คนมาจากออตตาว่าเหมือนกันมาจากออตตาว่าเป็นชาวอินโดนีเซียแต่ไปได้ ไปทำงานอยู่ที่แคนาดาพนักงานได้งานที่นั่นเลยย้ายครอบครัวไปอยู่อยู่มา20กว่าปีแล้วอยู่กรุงอตตาวาเขาจะกลับไปเยี่ยมแม่เขาที่อินโดนีเซียพี่สาวเขาอยู่ที่ที่ ก็เลยแวะมาเยี่ยมกันรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วเดียนี้เดินทางไปไหนมอไหนสะดวกรดวดเร็วเหมือนอยู่ในประเทศเหมือนบินไปเชียงใหม่เมีนี้บินไปแคนาดาก็เมือนบินไปเชียงใหม่นานหน่อยนั่เครื่องนานหน่อย เสียดายไม่มีเครื่องบินไปนิพานนะถ้ามีเครื่องบินไปนิพานมะได้ตีตั๋วไปนิพานกันนะตีตั๋วไปขาเดียว one วันเ t ทีเกตไปนิพานนี n e way ticket เอาขึ้นมาสิขึ้นมาทางด้านหลังนะถ้าไปนิพานนี่ตีเที่ยวเดียวไม่มีขากลับ ไปแล้วไม่กลับไปไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทำไมถึงมาวันนี้วันนี้ว่างไะเดีวดมวันนี้าบ้างองดูธรรมดาเช้าเช้าด้วยบ่ายด้วยเหนื่อยค่ะเเดินเป็นสองวันเลย มาอาทิต ย, ย์มาเช้ามัธนาคารมาบ่ายมาแล้วได้อะไรบ้างอ่ะได้ค่ะได้กำลังใจที่จะแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยแ็งแร่งยังไงก็มีมีมีมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างสู้กับกิเลสหรือสู้กับใคร สู้กับกิเลสสู้กับตัวเองอย่าไปสู้กับคนอื่นนะสู้กับคนอื่นแล้วมีเรื่องพระพเจ้าบอกให้สู้กับตัวเราสู้กับกิเลสชนะตนเป็นเลิศพระพเจ้าบอกชนะผู้อื่นเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านก็สู้ชนะตนไม่ได้ชนะผู้อื่นก็จะมีเวรนิกรรมกันคู่ต่อสู้ ก็คือตัวเองนะั่นแหละครืไม่ใช่พูดตอสู้คือตัวเองพูดตอสทีตัวโลภตัวโกรธตัวลงเยตัวร้ายกาศพวกที่เป็นโจรเป็นอะไรมันไม่ร้ายกาศเข้ากับตัวโลภโกรธลงในตัวเรา ไปชนะพูดก็ไปเวีนเป็นกรรมกับเขาไปสร้างเวนสร้างกรรมกับเขาเขาชนะเราเขาก็มาสร้างเวีนสร้างกรรมกับเราก็อาฆาตจองเวีนกันไปจองเวนกันมาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าชนะตัวเราแล้วสบายจบชนะกิเลสแล้วจิตจะสงบ ชนะความโลภความโกรธความหลงชนะความอยากต่างๆจิตก็จะสงบจิตก็จะไม่มีปัญหากับใครเนี่ยนิพพานก็คือการชนะความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าเราไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจแนละ้วเราก็ถึงนิพพานนะจิตเราถึงนิพพาน ไม่มีความทุกข์เพราะผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ใช่ใครหรอกก็คือความโลภความโกรธความหลงเร่คนอื่นเขาเป็นเพียงตัวชนวนตัวที่จุดชนวนแต่เขาไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัวโลกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เกิดความโลภขึ้นมา พอโลภ ก, ก็อยู่ไม่เป็นสุขโลภแล้วก็ต้องดิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจไม่สบายใจเศร้าสุขเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราหยุดความโลภได้เราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อย เถ้ากลับมาจากแคนาดาแล้วไม่กลับไปก็สบายไม่ต้องไปดิด้นลนเดี๋ยวกลับไปก็ต้องเดินทางอีกเหนื่อยกลับไปก็ต้องทำมาห า, หาเงินอีกพอได้เงินมาก็ต้องเหนื่อยกับการไปใช้เงินอีกออรบวทชทีสบายบวทชทีไม่ต้องไปแคนาดา แต่ยังโลภยังรักคนอื่นอยู่ยังอยากให้คนอื่นสบายตัวเองเลยยอมลำบากอยากให้แม่อยากให้พี่น้องสบายตัวเองก็เลยไปทามาหากินต่างประเทศเอาอไรายได้ดีกว่าอยู่ในประเทศทำแล้วก็เอาอไรายได้มาให้แม่ให้พี่ให้น้อง ตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ตัวเองมีความสุขจากการทำบุญทงทานแต่ถ้าอยากได้ความสุขมากกว่า น, นี้ต้องไปบวชชีพธธุเจ้ะบอกว่าให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนที่จะไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจงยังประโยชน์ตนได้ผู้อื่นให ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปทุกวันไม่ได้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รีบทำประโยชน์ให้กับเราก่อนประโยชน์ของเราก็จะยังไม่มี ยังไม่มีวันที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ถ้าเรามัวแต่ไปทำประโยชน์ของคนอื่นเราไม่ทำประโยชน์ของเราเราก็จะไม่ได้ทำประโยชน์ของเราก็คือประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางร่างกายนี่มันเป็นประโยชน์ชั่วคราว ประโยชน์ที่สําคัญนี้ต้องเป็นประโยชน์ทางใจพ้นทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายก็ตายไปตอนนี้มีงานทํามีเงินซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องน่งหม่มก็เรียกว่าไม่มีทุกข์ทางร่างกายที่เราทํางานทําการกันหาเงินหาทองกันนี่ ก็เป็นการทําประโยชน์ทางร่างกายพอเรามีเงินมีทองเหลือใช้เราก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นก็เป็นการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ก็ยังเป็นประโยชน์ทางร่างกายอยู่เป็นประโยชน์ชั่วคราวเดี๋ยวตายไปร่างกายก็หมดสภาพไป ประโยชน์ต่างๆที่ทำมาก็หมดไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยพอร่างกายตายไปแล้วออประโยชน์ที่เราได้รับจากทางร่างกายก็หายไปหมดร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองราบยศสรรเสริญก็หายไปเป็นของคนอื่นไป ไปตัวปเปล่าๆถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ทางใจก็ไม่มีประโยชน์ติดตัวไปพวกเรานี่มีสองส่วนชีวิตของเรานี่มีสองส่วนมีร่างกายและมีจิตใจจิตใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี่อยู่ต่อจิตใจจึงสำคัญกว่าร่างกาย เพราะประโยชน์สุขที่เราทําให้กับจิตใจนี้ไม่หมดไปกับประโยชน์สุขของร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาร่างกายตายไปประโยชน์สุขของร่างกายก็หมดไปแต่ประโยชน์สุขของใจนี้ยังไม่หมดยังอยู่กับใจอยู่เพราะเป็นคนละคนกันเป็นของคนละคนกัน ประโยชน์ของกายก็เป็นของกายประโยชน์ของใจก็เป็นของใจใจกับกายนี้เป็นสองคนใจเป็นพี่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้ดูแลร่างกายแต่ถ้าใจหลงใจไม่มีปัญญาใจก็จะไปหลงดูแลร่างกาย ไปดูประโยชน์สุขของร่างกายแล้วไม่มาดูประโยชน์สุขของใจเพราะไม่รู้ว่ามีใจที่ต้องการดูแลด้วยต้องการประโยชน์สุขด้วยถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะหลงดูแลแต่ประโยชน์สุขของร่างกายดูคนที่ไม่มีศาสนา เขาจะไม่รู้จักวิธีดูแลประโยชน์สุขของใจเขาจะดูแลแต่ประโยชน์สุขของร่างกายอาเงินหาทองมาได้ก็ซื้อของอะไรต่างๆซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรอ ง, ทงเท้าเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อมาเห็นอะไรอยากดูอยากฟังก็ซื้อมา เห็นอะไรอยากดื่มอยากรับประทานก็ซื้อมาอันนี้เป็นความหลงคือหลงคิดว่ามีร่างกายเป็นเพียงส่วนเดียวไม่รู้ว่าตนเองมีจิตใจที่ต้องดูแลด้วยไม่รู้จักดูแลตัวเองตัวเองเนี่แหละคือจิตใจ ผู้ที่กําลังดูแลร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายดูแลตัวเองไม่ได้จิตใจนี่แหละเป็นผู้ดูแลร่างกายแต่จิตใจดูเพียงร่างกายไม่ดูแลจิตใจด้วยพระไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจิตใจไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกาย ก็เลยดูแลเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวทำงานหาเงินหาทองแล้วก็มาซื้อความสุขทางร่างกายกันซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโลิะภัณมาเสกันเวลาเราใช้เงินเนี่ยเป็นเป็นการซื้อความสุขทางร่างกายทั้งนั้นไม่ว่าจะซื้อของจำเป็นหรือไม่จำเป็นของจำเป็นก็คือปัจจัยสี่ อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งหงของไม่จำเป็นก็ของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีเราก็อยู่ได้แต่มีมันก็มีความสุขได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่ของเก่าก็มีอยู่เหลือเฟือ แต่ของมันเก่าแล้วมันไม่ให้ความสุขแล้วต้องได้ของใหม่มามันถึงจะได้ความสุข แ, แต่พอได้มาปั๊บความสุขก็หายไปแล้วเหมือนกลายเป็นของเก่าไปแล้วต้องได้ของใหม่เรื่อยๆอันนี้ก็จะถูกหลอกให้ต้องอหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ถึงกับต้องเพิ่มที่เก็บของเรื่อก่อนเก็บของเก็บเสื้อผ้าไปในตู้เดี๋ยวนี้ตู้ไม่พอแล้วต้องเป็นห้องเลยบางคนก็มีหลายห้องห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของต่างๆเพราะความหลงเพราะคิดว่านี่เป็นความสุขแต่ไม่รู้ว่าสุขเดียวเดียวเลยต้องซื้ออยู่เรื่อย ถึงจะมีความสุขแล้วพอซื้ออยู่เรื่อยเงนิงนมันก็ต้องหมดเงินหมดก็ต้องไปดิ้นนอนหางานหาเงินกันอีกชีวิตก็เลยวุ่นวายไปกับการหาประโยชน์สุขทางร่างกายแต่ประโยชน์สุขทางใจนี่ไม่มีเลยจึงทำให้ใจนี้หิวโหวยพอหิวโหวยก็เลยไป หาประโยชน์สุขทางร่างกายแทนที่จะมาหาประโยชน์สุขทางใจเพื่อให้หายหิวโหวยหาประโยชน์สุขทางร่างกายมากน้อยเพียงไรความหิวโหวยก็ไม่หมดไปสถทีก็ยังอยากได้ยังโลภอยู่อือเรื่อยๆไม่ว่าจะได้มามากมาน้อยเพียงไรก็ตามไม่มีวันที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอได้ เพราะว่าประโยชน์สุขของใจไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์สุขของร่างกายเพระพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงฉลาดทรงรู้ว่าพระองค์กำลังขาดประโยชน์สุขทางใจประโยชน์สุขทางร่างกายพระองค์มีเต็มที่แล้วเป็นพระราชโอรสมีความสุขทาง ลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกวิ้งกายเต็มที่แล้วแต่ใจก็ยังไม่อิ่มไม่พอยังหิวยังวิตกยังกลัวยังกังวลกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายที่จะตามมาเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่สามารถหาประโยชน์สุขทางร่างกายได้ ก็พอดีเห็นนักบวชก็ทราบว่านักบวชนี้เขากําลังไปหาประโยชน์สุขทางใจกันประโยชน์สุขทางร่างกายนี้ได้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอประโยชน์สุขทางร่างกายนี้มีขอบเขตคือถ้ามีปัจจัยสีน่นี้ก็ถือว่า ได้เต็มที่แล้วได้ประโยชน์สุขทางร่างกายเต็มที่แล้วถ้ามีอาหารกินวันละมือ้อมีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุดเนี่ยมีที่อยู่อาศัยหลบแดดพร้อมหแดดหลบฝนได้มียารักษาโรคไปตามอัตภาพอันนี้ก็ถือว่าประโยชน์สุขทางร่างกายได้เต็มที่แล้ว ต่อให้ได้มากกว่านี้ ก, กี่เท่าดีกว่านี้ ก, กี่เท่ามันก็ได้เท่ากันประโยชน์ก็ได้เท่ากันประโยชน์ก็คือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ไม่ตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วดังนั้นจะเสียเวลากับการไปหาประโยชน์ทางร่างกาย มากมากและแพงแพงทำไมอาหารแพงแพงมือละหลายพันกับอาหารมือละร้อยมันก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันรักษาร่างกายให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยทรงสละราชสมบัติเลย แล้วไปหาประโยชน์สุขทางใจดีกว่าประโยชน์สุขทางใจนี้ก็เกิดจากการไม่ทําบาปการรักษาศีลเวลาไม่รักไม่ทําบาปเวลารักษาศีลนี้ใจจะเย็นจะสบายเวลาทําบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ใจจะกังวลเนี่ยต้อง มาหาประโยชน์สุขทางใจกันนอกจากรักษาสีแล้วก็ต้องมาภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนามาทำใจให้สงบกันให้ได้เพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วจะได้ความสุขเต็มที่เลยใจจะได้ประโยชน์สุขเต็มร้อยเหมือนกับร่างกายที่ได้ปัจจัยสี่ ครบบริบูรณ์ร่างกายก็จะได้ประโยชน์สุขเต็มเต็มร้อยถ้าใจอยากจะได้ประโยชน์สุขเต็มร้อยนี่ต้องรักษาศีลต้องภาวนาให้ได้ให้ได้ความสงบเต็มร้อยพอได้ความสงบเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็สบายใจใจะอิ่มใจจะพอะ ไม่ได้มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ า, ายเครื่องนุ่งห่มก็พอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแนละ้วไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้บ้างทวารหาดหรูหารหาเสื้อผ้าวิจิตรพิศดารอาหารรสชาติเลิศเลอย่ารักษาโลกลงพยาบาล ที่มีราคาแพงๆเหมือนก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันเหมือนกันนี่คือการดูแลรักษาทำประโยชน์สุขต้องทำประโยชน์สุขที่ใจเพะประโยชน์สุขที่ร่างกายเราทำเต็มที่แล้วเราได้เต็มที่แล้ว แต่ประโยชน์สุขทางใจนี้เรายังไม่ได้เลยยังไม่เคยพบกับความสงบเลยยังไม่เคยได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสงบนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มี ความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดนี่แหละประโยชน์สุขทางใจที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเรามาบำเพ็ญกันมาสร้างกันแล้วหลังจากที่เราได้ประโยชน์สุขทางใจเต็มที่แล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปช่วยสอนไปบอกผู้อื่น ให้รู้จักวิธีหาประโยชน์สุขทางใจหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วได้ประโยชน์สุขทำทางใจเป็นที่แล้วพระองค์ก็ประกาศพระศาสนาประกาศพระธรรมคำสอนเนี่ยวันอาสาหบูชาที่กําลังจะมาถึงนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสรง เอาคำสอนมาเผยแผ่เอาความรู้วิธีที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจมาเผยแผ่ให้ก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกในวันเทนเดือนแปดวันอาสาหะบูชาที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่แปดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพาย ในวันเพ็ญเดือนหกคือสองเดือนก่อนวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้หมายถึงทรงได้ทำประโยชน์สุขให้แก่ใจได้เต็มร้อยได้ดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปได้สร้างความสุขให้แก่ใจได้อย่างเต็มร้อยและ เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดสิ่งที่อยู่ในใจก็เลยไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีความสุขเต็มร้อยเหมือนวันแรกที่พระองค์ได้ทรงได้คือในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชา พอหลังจากนั้นอีกสองเดือนพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าจะต้องเอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นมาบอกผู้อื่นให้รู้จักวิธีสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจให้ได้เต็มร้อยถ้าไม่มีพระองค์นี้ไม่มีใครสามารถสร้างประโยชน์สุขทางใจได้เต็มร้อยได้อย่างถาวรได้ก็ได้แบบชั่วคราว สมัยก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ก็มีผู้สแสวงหาประโยชน์สุขทางใจเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายเขาก็หาประโยชน์สุขทางใจด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเขาก็ได้ประโยชน์สุขชั่วคราวเต็มร้อยชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอใจออกจากสมาธิมา มารับรู้เรื่องราวต่างๆความสุขนั้นก็จางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าความโลภความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ความสุขเต็มร้อยที่ได้จากสมาธินี้มันหายไปไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่รู้ ว่าถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากความสงบในสมาธินี้ไม่สูญหายไปก็ต้องกำจัดความโลภความอยากต่างๆความโลภความอยากถ้าเปียบก็เป็นตุ่มน้ำก็เป็นรอยรั่วในตุ่มน้าถ้ามีรอยรั่วอยู่ในตุ่มน้ำเนี่ยเทน้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปให้เต็มตุ่มก็ไม่มีวันที่จะ อยู่ได้นานใส่น้ำไปเต็มตุ่มเดี๋ยวเดียวลอยรั่วน้ำมันก็ไหลออกมาทางรอยรั่วน้ำที่เต็มตุ่มก็พร่องไปและหายไปหมดเลยถ้าไม่เติมใหม่นี่คือความสุขที่ได้จากสมาธิเป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในตุ่มที่ยังมีรอยรั่วอยู่เตมไม่เท่าไหร่ เต็มเพื่อมเต็มเปลี่ยนปับ๊บทิ้งไว้สักพักหนึ่งอา้าวหายไปแล้วมันไหลออกไปตามรอยรั่วต่างๆพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าตัวที่ทําให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้หายไปก็คือกิเลสตัณหานี่ความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าก็เลยมาอุดรอยรั่วหยุดความอยากหยุดความโลภ พอหยุดความอยากหยุดความโลภได้ปั๊บความสุขที่ได้จากความสงบก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่ไปตลอดอนันตการเหมือนกับพอละอุดรอยรั่วของตุ่มน้ำนะพอเติมน้ำเข้าไปเต็มตุม่มมันก็จะไม่พร่องอีกต่อไปมันก็จะเต็มอยู่อย่างนั้นไปตลอด นี่คือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มีคนได้ความสุขจากความสงบแต่ได้ชั่วคราวพอออกจากความสงบมาเกิดความอยากเกิดความโลภความสงบนั้นก็หายไปถ้าอยากจะได้ก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เท่านั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าการกลับไปนั่งนี้ก็เป็นการหยุดความโลภหยุดความอยากชกั่วแต่พอออกจากสมาธิมาก็โลภ ก, ก็อยากอีกเนี่ยแต่พอพุทธเจ้าสอนว่าต่อไปนี้ออกจากสมาธิมานี้ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากอยากได้อะไรอยากไปทํามันไม่มีอะไรที่ใจต้องมีใจไม่มีอะไรก็อยู่ได้ไม่ไม่กินข้าวอดตายก็ไม่เป็นไร อย่าไปโลคอย่าไปอยากกินข้าวก็แล้วกันถ้าจะกินก็ไม่ต้องกินด้วยความโลกกินเหมือนกินยาไปกินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีกินก็จะไม่เดือดร้อนกพจะไม่มีความโลกความอยากกินนี่ต้องเป็นอย่างนี้ตัดความโลกความอยากไปให้หมดอยากได้ลาบยศจัษษเทร์แงก็ตัดไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไป อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องตัดไปหยุดมันให้หมดพอหยุดมันหมดแล้วทีนี้ความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็ไม่หายไปมันเลยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิไม่ต้องอยู่ในสมาธิก็ได้พอไม่มีความโลภความอยากแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำใจให้ให้วุ่นวายแล้วใจก็จะสงบ โดยธรรมชาติของมันเองเหมือนสระน้ําถ้าไม่มีใครไปกระโดดไปไว่า้ในสระน้ํามันก็จะนิ่งโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้ามีคนไปกระโดดน้ําไปเล่นน้ําไปไว่า้น้ําในสระนี่น้ําในสระจะไม่มีวันนิ่งได้น้ำใจใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความโลภความอยากใจมันก็จะสงบโดยธรรมชาติของมัน ใจเราไม่เคยไม่มีความโลภไม่มีความอยากหนึ่งมีแต่โลภมีแต่อยากอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่โลภ ก, ก็โกรธไม่โกรธก็หลงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยพบกับความสงบ ท, ทันทีถ้าเรามาหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ใจเราจะสงบขึ้นมาทันที ใจเราจะมีความสุขเต็มร้อยเต็มทันทีนั้นความสุขที่ดีกว่าได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิก่นโนดุทธภาอีกนี่คือสิ่งที่พัธเจ้ามาประกาศในวันแรกในวันอาสาหบูชาพระเจ้าสอนว่าอย่าไปหาประโยชน์สุขให้แก่ร่างกายเลย ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเลี้ยงให้มันอยู่ได้ก็พอแต่อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายใจจะสบายร่างกายแก่ก็สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบาย ร่างกายตายไปก็สบายให้มาหยุดความอยากทุกรูปแบบอยากหยุดความอยากในราบยดสดรแสหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดในความอยากของร่างกายของเราหยุดความอยากได้ร่างกายของคนอื่นเห็นร่างกายของคนอื่นสวยงามก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอย่างนี้ก็จะทำให้เราทุกข์ พ อ, พอได้เขามาแล้วก็หว่วงก็ห่วงพอเขาจะไปมีแฟนใหม่เราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจเมื่อเช้ามีลูกศิษย์มาปรับทุกข์ว่าเวลาทุกข์ใจทำยังไงก็บอกว่าก็สองวิธีวิธีแรกก็ทำสมาธิหยุดชั่วคราวพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ ถ้าอยากจะให้หายทุกอย่างถาว่อยเราต้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้เป็นของเรา <starter. S 2> เขาก็เลยสารภาพบอกว่าแฟนจะแฟนจะไปมีแฟนใหม่เ <c oughs> ขาเลยทุกใจนอนไม่หลับทั้งคืนก็เพราะว่าเรายังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่ใช่ไหมความอยากให้เขาเป็นของเราเนี่ยทำให้เราทุกข์เราต้องมองให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา ไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันอยู่ดีเดี๋ยวเราตายหรือเขาตายก็ต้องจากกันอยู่ดีเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เขาไม่ตายเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปคิดว่าไม่ใช่เป็นของเรายอมรับความจริงปล่อยเขาไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปเราจะหายทุกเนี่ยอธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจนี่แหละประโยชน์ของธรรมะ ที่จะทำให้ใจของเราได้มีความสุขได้หลับได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเอาเวลามาหาประโยชน์สุขทางใจดีกว่าเพราะประโยชน์สุขทางร่างกายเรามีเหลือเฟือมีมากเกินกว่าเกินความจำเป็นเสียเวลาไปเปล่าๆ เอาเวลาแบ่งมาหาความสุขทางใจหาประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางร่างกายก็หายไปหาอาหารวันละมื้อก็พอล้วอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่พระเจ้าให้หาประโยชน์ทางร่างกายด้วยการบินธบวันละหนึ่งครั้งที่อยู่อาศัยก็เอาตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็ได้อยู่ตามถ้าก็ได้อยู่ตามเรือนร้างก็ได้ ที่ไหนพอลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปก็ถือว่าเป็นบ้านแล้วเป็นที่อยู่อาศัยแล้วจีวอก็อมนีหนึ่งหนึ่งไตก็พอผ้าก็เป็นผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพเนี่ยผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าหอ่อศพพอศพเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ายังไม่เปื่อยก็ไปเก็บผ้ามาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บเป็นกีวรนนี่คือผ้าเครื่องนุ่งห่มของ พระในสมัยพุทธกาลสมัยที่ยังไม่มีการอนุญาตให้ถวายผ้ากรถิน่นไม่มีการอนุญาตถวายผ้าป่าญาติโยมก็ไม่รู้ว่าพระต้องการผ้าไม่รู้ว่าเพียงรู้ว่าบินทบาทต้องการอาหารอย่างเดียวเวลาไปบินทบาทก็ใส่แต่อาหารไม่เคยสังเกตไม่เคยถามพระว่าแล้วผ้ามีใส่หรือเปล่ปาไปหาผ้ามาจากที่ไหน จำพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกญาติโยมว่าเอ้ยถวายผ้าให้พระมาั่งสิผ้าไม่มีผ้าใช้แล้วไ้เก็บผ้าที่ห่อศพในป่าช้าจนหมดแล้วหมดป่าชานะ้าแล้วเพราะมีคนบวชกันมากขึ้นเรื่อยๆคนที่มาบวชกันก็ต้องไปหาผ้าผ้าบางสกุลในป่าช้ากันพอบวชกันมากๆมันก็ไม่พอใช้พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ญาติโยมถวายอะไร มีบอกให้ถวายผ้านี่แหะเพราะมันขาดแคลนญาติโยมก็ไม่เคยถามไม่เคยสังเกตเลยว่าพระเขาไปเอาผ้าที่ไหนามาใช้กันก็เลยต้องบอกให้ถวายผ้ากันก็เลยมีงานถวายผ้ากระถิ่นเงินขึ้นมาที่ท่านบอกว่ามีอนิสงฆ์มากก็เพราะว่ามันขาดแคลนมากไม่มีผ้าใส่กันการถวายผ้าจึงถือว่าเป็นของ เป็นประโยชน์มากเป็นอนิสงส์มากแต่ถ้าเกิดไม่มีใครถวายอาหารการถวายอาหารมันก็จะต้องเป็นประโยชน์มากถ้ามีแต่ถวายผ้าไม่มีถวายอาหารนี่จะังไงเดี๋ยวว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าถวายอาหารเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าถวายผ้าเพราะผ้ามันมีเหลือเฟือแล้วแต่ตอนนี้มันกลับกันตอนนี้มีแต่มีแต่สายบาตรสายอาหาร แต่ไม่มีถวายผ้าท่านก็เลยบอกว่าถ้าถวายผ้านี้มีอา น, นิสงส์มากมีมีประโยชน์มาก เ, เพราะว่าพระขาดแคลนผ้าดนในบรรดาปัจจัยสีนี้มีอะมีคุณค่าเท่ากันมีอา น, นิสงส์เท่ากันมันจะขาดมันจะถ้ามันขาดแคลนนี่มันถึงจะถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะมันจะได้มาแก้การขาดแคลนได้นั่นเองเน้นจะถวายเดี๋ยวนี้จะถวายผ้าก็ได้ถวายอาหารก็ได้ถวายยารักษาโรค ก, ก็ได้ถวายที่อยู่อาศัยก็ได้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เท่ากันเพราะร่างกายต้องการทั้งสี่อย่างนี้เท่ากันต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่มต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัย นันตอนนี้ถ้าอยากจะถามว่าทำบุญอย่างไหนได้ประโยชน์กว่ากันก็ได้เท่ากันใส่บาตรก็ได้ถวายจีวรก็ได้ถวายกุฏิก็ได้ถวายยารักษาโรค ก, ก็ได้เพราะว่าจะได้นำเอามาทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้เท่ากันนี่คือเรื่องของประโยชน์ทางร่างกายมีแค่ปัจจัยสี่ก็พอแล้ว ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วมีข้าวกินแล้วมีเสื้อผ้าใส่เหลือเฟือแล้วมียารักษาโรคสามสิบบาทรักษาได้ทุกโรคแล้วก็เอาเวลามาหาประโยชน์สุขทางใจกันดีกว่าอย่าไปหาประโยชน์สุขทางร่างกายเลยเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์สุขมากกว่าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้ในแม้แต่บาทเดียว แต่ประโยชน์สุกทางใจนี้ถามมาได้เท่าไหร่ก็จะติดไปกับใจเท่านั้นถ้าได้ประโยชน์สุก ข, ของเทวดาก็ไปเป็นเทวดาถ้าได้ประโยชน์สุก ข, ของพรหมก็ไปเป็นพรหมถ้าได้ประโยชน์สุก ข, ของพระอริยเจ้าก็ไปเป็นพระอริยเจ้าต่อไม่สูญหายไปเช่นสมมุติเป็นพระโสดาบันตายไปกลับมาเกิดใหม่พระโสดาบันก็ยังอยู่ แต่ถ้าประโยชน์สุขทางเทวดาทางพรหมนี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็หายไปหมดจากพรหมก็พอมากลับเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าประโยชน์สุขที่ได้จากการไปเป็นพรหมมันหมดแต่ประโยชน์สุขที่ได้จากการเป็นพระอริยเจ้ า, ญญ า, จานี้ไม่หมดพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นโสดาบันอยู่ ถ้าได้สกิทาคามีกลับมาเกิดใหม่ก็ยังได้สกิทาคามีอยู่ถ้าได้อนาคามีก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมแทนเป็นพรหมที่เป็นอนาคามีเป็นพรหมที่ไม่เสื่อมเหมือนพรหมที่ได้จากการเข้าฌานเป็นพรหมคนละอย่างกันพรหมคนละประเภทกัน เป็นพรมแบบถาวรพรมที่ได้จากการเข้าชานนี้เป็นพรมชั่วคราวพอกำลังของชานเสื่อมลงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่พระอนาคามีนี้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะปฏิบัติทมในขณะที่เป็นอนาคามีในขณะที่อยู่พรมโลกแล้วก็บรรลุไปเป็นพาาาระอรหันต์ไปสู่พระนิพพานไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในตายภพไม่มาเป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสูรกายไม่ไปนรกอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอันนี้แหละประโยชน์สุขของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนเป็นครั้งแรก ในวันอาสาหั บ, บูชาทรงสอนวิธีที่จะพาให้เราไปสู่พานิพานกันทรงสอนวิธีสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจด้วยการจเจริญมัชมักแปหรือศีลสมาธิปัญญามักแปก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็มีอยู่สามข้อของมักแป สัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสมาธิก็มีอยู่สามข้อสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็มีอยู่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปให้เจริญมักแปเนี่ยสัมมาทั้งแปดประการนี้ถ้าย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ปัญญาเกิดขึ้นใหเห็นว่าการทำตามความโลภความอยากเป็นทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดต้องกำจัดความโลภความอยากหลังจากที่ออกมาจากสมาธิพอทำตามที่พระเจ้าสอนได้ปั๊บก็บรรลุเป็นพระอาหันต์กันมากมายเลยตอนสมัยยุคแรกๆตอนที่แสดงธรรมนี้ พระพุทธเจ้าไปสอนพวกที่มีศีลแล้วพวกที่มีสมาธิแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาพอสอนให้รู้ว่าอย่าไปทําตามความอยากให้หยุดความอยากหยุดความโลภท่านั้นเนี่เขาก็ทําตามกันพอทําตามกันปั๊บเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแสดงทําให้กับปั ญ, ปญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีเดียวพร้อมกันห้ารูปเลยพอไปแสดงให้กับนักบวช ที่มีอยู่ห้าร้อยรูปในสำนักหนึ่งพอแสดงจบ ก, ก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทีเดียวห้าร้อยรูปเลยเพราะพวกนี้เขามีศีลบริสุทธิ์แล้วมีสมาธิมีฌานแล้วมีอัปปนาสมาธิแล้วพอได้ยินทางปัญญาว่าให้เห็นว่าความโลภความอยากนี้เป็นอันตรายอย่าไปทำมันต้องหยุดมันต้องฆ่ามันเนี่ยที่ให้ชนะตอนเนี้ยก็ให้ชนะให้ฆ่าตัวนี้ ฆ่าความโลภค่าความอยากต่างๆให้มันหมดไปพอฆ่ามันหมดปั๊บก็ใจก็สงบตลอดเวลาใจก็สุขตลอดเวลาเป็นนิพพานพลังสุขขังขึ้นมาเป็นบรมมาสุขขึ้นมาใจที่เป็นนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความโลภความอยากนี้นั่นเองพอหยุดความโลภความอยากได้หมดแล้วใจก็บริสุทธิ์ ใจก็เป็นนิพพานใจก็เป็นปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นความสุขที่ถาวรเรียกบรมสุขก็คือสุขที่ถาวรไม่เหมือนสุขของพวกเราสุขสุขดิบดิบสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กันทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุขกันความสุขของนิพพานไม่เป็นอย่างนี้ความสุขของนิพพานนี้สุขไปอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันลดไม่มีวันทุกข์ ความสุขของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้สุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังสุขๆุติดเดีอ บ, บอยู่เดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวตายไปก็ทุกข์กันแล้วก็ไปรับผลบาปก็ทุกข์กันอยู่ในอบายกันพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาสร้างบุญสร้างบาปมาทุกข์มามาทุกข์กับร่างกายกันใหม่ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเราต้องมาทำประโยชน์ให้กับใจกันเราก็จะหลงกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ตายไปก็หมดพอหมดแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่พอไปใช้บุญใช้บาปหมดก็กลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่ แล้วก็ตายไปใหม่ไปใช้บุญใช้บาปใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เนี่เรียกว่างเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปหาประโยชน์สุขทางร่างกายมันจะพาเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันแล้วใจเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปใจเราก็จะอยู่ที่นิพพานหรือเป็นนิพพานไปบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ ใจมีแต่บรมมาสุขนี่คือประโยชน์สุขที่เราได้รับจากพระพุทธศาสนานะพอเราได้รับแล้วเราก็เอามาแบ่งมาสอนผู้อื่นต่อไปสอนคนที่ไม่รู้ต่อไปพระพุทธศาสนาจึงอยู่กันมาถึง2500กอกว่าปีได้ก็เพราะว่ามีการสืบทอดมีการถ่ายทอดมีการศึกษามีการปฏิบัติ มีการบรรลุแล้วก็มีการเผยแผ่พอบรรลุทำแล้วก็เอาธรรมที่บรรลุมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุผู้ที่ยังไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุพอบรรลุแล้วก็จะได้มาช่วยเผยแผ่ต่อศาสนาของเราก็เลยยังอยู่มาได้อย่างต่อเนื่องถึงสองพันห้าร้อกว่าปีแล้วถ้ายังมีการทำางนี้ต่อไปพะพุทธเจ้าก็บอกว่า จะอยู่ได้ถึงห้าพันปีได้กันนี่คือประโยชน์สุขที่เราควรทำกันขั้นต้นทำให้กับตัวเราก่อนพอเราทำให้กับตัวเราแล้วเราก็ไปทำให้แก่ผู้อื่นต่อแล้วจะทำให้มีาศาสนาอยู่อย่างนี้คู่กับโลกไปเป็นเวลาอัญญาานยาวนานก็ขอให้พวกเรามาหาประโยชน์สุขทางใจกันประโยชน์สุขทางร่างกายเรามีพอเพียงแล้ว เอาเสร็เอาเศรษฐกิจกพอเพียงก็พออย่าล่ำอย่ารวยเลยไม่เกิดประโยชน์มารวยทางใจกันดีกว่ามารวยทำดีกว่ารวยอริยทรัพย์ดีกว่าเพราะเป็นทรัพย์แท้เป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้แล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะท้าวารวาหาปุราปาริกปุเรนติสักลัง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 มาเตผวตะวันตราโยสุขีทีคายยโกาวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาธานติอายุวโนสุขังภาลางใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไป มนหนังสือประวัติหลวงปู่มัน่นพิมพ์ออกมาใหม่นะใครยังไม่เคยอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นก็มาเอาไปอ่านปรม า, าจารย์ยุคปัจจุบันนะก็คือหลวงปู่มั่นของพวกเราเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ได้ธรรมมากก็ได้จากหลวงปูมนนะ่มั่นนเลยนะ อ่าไม่ต้องกังวลอ่ะถ้ามีพุโทโธไม่เป็นอะไรนะให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าพุโทโธได้ไม่มีปัญหาอะไร อ, ะอาการหลอกเรากิเลสกิเลสมันหลอกเราไม่ต้องไปสนใจอ่าดีเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไหร่ละเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะ มากมากพอจะเดินไม่ค่อยจะได้ก็เลยเป็นเยอะค่ะก็ดูแลกันไปค่ะแม่เคยดูแลเราเราก็ต้องดูแลแม่กันเดี๋ยวแม่จะได้ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ละไปถ่ายร่างกายใหม่มาจากที่ไหนกันมาจากไหน ตัวนีที่อภิธรรมวัดีสุดาลาค่ะที่กรุงเทพเลยนะไปแยบหรอเรียนอภิธรรมอภิธรรมนี่ทำทั้งสูงหรือเาอภิธรรมก็ต้องบรรลุธรรมเลยถ้าไม่ปฏิบัติเรียนสูงขนาดไหนก็ไม่มีบรรลุได้มาต่แปดคนมาว่ามามีอะไร เมื่อก่แล้วนะดูฟังหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตใจโรคภัยปะคะ่ะหนวไม่ใจว่าหนูเนี่ยการนี้ตัดเหนแล้วคะ่ ะ, ะเห็นแล้วก็ดีสิทีนี้มันเห็นแล้วมันมันก็พานึกอยู่มันไม่ลืมอะคะอ่ะอทีนี้เนี่ยเห็นแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราหนูรู้แล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันอร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหนูก็รู้แล้วออย่าไปหวงอย่าไปห่วงมันออดข้าวได้แล้วหนูออดข้าวได้แล้วหนูป่อยผมไม่งอกได้แล้วได้ใช่สิบแปดไปสิบแปดเจ็ดจุดแปด็จุดแปดนะฮะหนูหนูเหลืออาหารเพราะว่าหนูมี่มีเพื่อนเพื่อนด้วยเอ้างเพื่อนอีกแล้วอ้างเพื่อนอีกแล้วนี่ จแสดงว่ายังห่วงร่างกายยังห่วงร่างกายอยู่เออก็เรากินอาหารทิพย์เสร็จเราไปกินอาหารหยาบทํำไมในเมื่อเราเป็นกายทิพย์เราไม่ได้เป็นกายหยาบเราก็ต้องกินสมาธิแทนกินความสงบแทนมานั่งสมาธิแทนไปนั่งกินข้าวไม่ถูกถ้าเรายังเชื่อว่าถ้าเชื่อว่าเราเป็นกายทิพย์เราก็ไม่ต้องกินอาหารกินพอให้มันอยู่ได้ก็พอกินเป็นอยากกินยาไปกินยนละมือก็พอนะ ฮะกินวันละมื้อไงหนูเป้าหมายของหนูนะคะหนูก็กําลังจะหาโอกาสที่ว่าจะลังว่าวันละมื้อเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละถ้าเห็นว่าตัวเองเป็นายทิพย์เราก็ต้องทําได้ถ้าเห็นเห็นแล้วยังทําไม่ได้ก็ยังไมาเห็นเห็นไม่จริงเห็นหลอกอแต่เห็นจริงแล้วทิ้งร่างกายได้เราเป็นกายทิพย์เราเป็นห่วงร่างกายทำไม เราไม่ได้เป็นร่างกายไปเลี้ยงร่างกายให้มันเหนื่อยยากทำไมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีไม่ใช่เลยหนูก็ยอมรับได้แล้วค่ะว่าตายก็ได้แต่ยังอดไม่ได้นั่นเหลือเนี่เจ็ดจุดแปดหนูก็อนูก็จะเี่มันขึ้เป็นเจ็ดจุดเก้าเอาทูศิลป์แปดไปทุกวันดูให้มันมันไม่ตายหรอก ตายก็ตายก็ไม่ใช่เราอยู่ดีตายก็ไม่หนูก็รู้ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนเราก็อยู่โลกทิพ์เหมือนเดิมจะไปลงไหนเราก็เพียงแต่ทิ้งนั่งกายไม่ต้องมาเลี้ยงมันให้เหนื่อยยาก่านั้นเองใช่ค่ะตอนนี้เราเลี้ยงนั่งกายอยู่เปล่าแต่เราไปลงคี่ว่าเลี้ยงตัวเรา หนูห ก, ก็ไม่รู้ค่ะหลวงพ่อหนูก็อยู่ไปแบบที่โลกโลกเขา อ, อยู่กันนะคะนะอ้างโลกอย่างนี้ไปต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้านี่ไปอยู่แบบไปอ้างโลกได้ไงเราถือพระพุทธพระธนะรร ม, มพระสงฆ์นะเราก็เราทําตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถือทำตามโลกได้ไงห น, นูก็เอาทำมาค่อยๆกัดถัดเกาเหมือนต้นไม้ที่เขาลิดก้านนะคะหนูก็ไปหยาบลิดตัวเองอดีทําไป้นี่เพียงบอกให้รู้ว่ายังยังไม่รู้จริงะ รู้เหมือนกันแต่ยังไม่รู้เต็มเต็มที่ยังทํำไม่ได้ตามที่รู้รู้ว่าตัวเดินกายทิพย์แต่ยังไปเรียกนั่งกาย ย, ยังโผล่ร่างกายอยู่นะต้องม า, มาเดิน ก, กายทิพย์ดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าถ้าให้เรื่องระหว่ังกินข้าวกับนั่งสมาธิเอาสมาธิสมาธิเนี่ยเลี้ยงตัวเราเองถ้ากินข้าวก็เลี้ยงร่างกายเยข้าใจนะลองไปทําดู ให้ได้ให้ได้แปดนะทีนี้ยา ว, วเจ็ดสิบแปดให้ได้แปดเลยให้ได้แปดเลยอ่ากับเลยเรออ่าอ่าไม่เป็นไรเอาการหน้าบ้างไหมมันกล้องไปบ้างก็ได้ให้คนดูทางบ้านดูภาพแปลกๆบ้างดูแต่หน้าเราก็เบือ่อ กล้องให้ดูผู้ดูคนบ้างจะได้มีรถมีชาตินะถ้าเรายังไม่พูดไม่ต้องหันมาทางเราก็ไดนะ้ตากล้องแบบเป็นหุ่นนิ่งเฉยวานั่งดูกล้องอย่างเดียวไม่แพนเลยฮนะวนบ้างนะเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนอะไรบ้าง คนดูจะได้ไม่เบื่อมีอะไรหรืึป่ะอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซเฟซบุ๊กวันนี้สูงสุด480ค่ะยูทูบหนึ่งร้อยหกค่ะ u ูทูบเดี๋ยวนี้เกินร้อยทุกวันแล้วนะดีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้าเราไปนั่งสมาธิในที่ต่างๆเราต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าครับแล้วถ้าขอเราควรขอว่าอย่างไรครับอ๋อเจ้าที่เจ้าทางก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของวัดไงไปวัดแล้วก็น้องของอนุญาตเจ้าวาดเขก่อนไปนั่งอยู่ที่บ้านของใครก็ต้องของอนุญาตเจ้าของบ้านเขก่อนแต่เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นมองไม่เห็นไม่ต้องไปขอก็ได้ขอก็ได้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราเชื่อกันไปเอง ถ้ามีถ้าเข้ามาทวงก็ขออนุญาตเข้าไปจะนั่งสมาธิแล้วเขาเข้ามาในสมาธิมาบอกว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วก็บอกอ๋อผมมานั่งสมาธิขออนุญาตนั่งสมาธิหน่อยไม่รู้ว่ามีเจ้าของที่อยู่แต่ถ้าปกติแล้วมันไม่มีหรอกปกติเราก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านเจ้าของที่อย่างท่านจะมานั่งสมาธิบนเขานี่ก็ต้องมาขออนุญาตกับพระก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาอยู่เลยมานั่งเลยไม่ได้ ขอกับคนที่ก็เป็นเจ้าของจริงๆถ้าตรงไหนไม่มีเจ้าของก็ไม่ต้องไปขอจะไปขอใครลนะ่ะเยอะไหมคำถามจากคุณมลหลังจากสวดมนต์ทุกครั้งต้องกวดน้ําหรือเปล่าคะไม่กวดได้ไหมเจ้าคะมลส่วนมนต์เสร็จมันไม่รู้ไปกวดทําไมมันไม่มีมันกวดแล้วก็ไม่ได้อะไรการกวดน้ํานี่ก็ทําตอนที่ทําบุญทําบุญถวายทานเนี่ย แล้วเราก็มีบุญแล้วก็กดน้ําแต่ว่าถ้าส่วนมนนี่เขาไม่นิยมกวดน้ํากันค่ะคําถามจากคุณสิริการที่ให้อะไรอะไรเป็นไปตามยถากรรมและการให้เป็นไปตามอนิจจังอนัตตาเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างกันอย่างไร <S 1> <S 1> ก็คล้ายๆกันยกัะคือถ้าให้ตามอนิจจังก็หมายถึงว่า อะไรจะเปลี่ยนก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปผมจะงอกก็ปล่อยมันงอกไปไม่ต้องไปย้อหนังมันจะเหี่ยวก็ไม่ต้องไปดึงให้มันตึงเรียวกว่าปล่อยตามมนิจังทุกขงังอนะตาส่วนยะถากรรมก็หมายถึงว่าบางทีชีวิตเราก็ขึ้นบางทีชีวิตเราก็ลงอันนี้ก็เป็นไปตามกรรมที่เราทํามาถ้าทําบุญบางทีบุญส่งผลก็ชีวิตก็รุ่งเรือง เวลาทำบาปบาปส่งผลชีวิตก็ตกต่ําถ้าเรายอมรับก็อยู่กับมันไปเขาเรียกอยู่กันไปตามยถากรรมบางคนก็ไม่ยอมถ้าชีวิตตกต่ําก็ต้องสู้ต้องดิ้นดนอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้ได้ส่วนบางคนยอมรับสภาพว่ามันเป็นเรื่องของกรรมทําไปจนมันปรับย ไ, ไงไงมันก็ไม่ดีอยู่ดี ปล่อยให้มันปรับของมันเองเดี๋ยวกำกรรมไม่ดีหมดไปมันก็จะดีขึ้นมาเองเดี๋ยวกับเดี๋ยวบุญที่ดีมาแทนมันก็จะรุ่งเรืองของมันเองอันนี้ก็คือยะถากรรมครับปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมตามบุญตามกรรมถ้าปล่อยให้ตามมันนิจจังทุกขังอน้าตาก็ไม่ไปทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ปล่อยแก่ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เือราดยุดสละเสนจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปมันจะเจริญก็ปล่อยมันจเจริญไปมันเป็นตามกฎของอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำถามจากคุณวินผมภาวนาดูลมหายใจประกอบกับพุทโธจิตสงบดีลมหายใจเบาสบายไหลลื่นแต่บางทีรู้สึกได้ว่ามีน้ำลายเอ่อล้นในปากผมพายายามจะไม่กืนเพราะกลัวจะเสียสมาธิ อยากทราบว่าทำไมน้าลายจึงเ อ, อ่อล้นในปากและจะจัดการอย่างไรครับเพราะเราไปให้ความสำคัญกับมันไงถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็ไม่มีหรอกพอเราไปสนใจมันมันก็ปรุงแต่งมันก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปสนใจกับน้าลายให้สนใจอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมถ้ามันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลไปคาถามจากคุณพิมพร วัดที่หนูได้ไปทาบุญและไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นวัดป่าค่ะที่วัดเขาจะมีเปิดสอนทำสอนสอนเรียนธรรมะถ้าเราไปเรียนจะมีผลดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะแต่ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะขอคำชี้แนะด้วยเจ้าค่ะการเรียนธรรมะมันเรียนได้หลายวิธีเนี่ยที่ฟังอยู่ทุกวันที่มาติดตามถ่ายทอดสดนี่ก็เรียนธรรมะอยู่แล้ว ก็มีวีทางเรียนได้หลายทางอ่านหนังสือธรรมะก็เรียนเหมือนกันอ่าทีนี้การไปเรียนแต่ละที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนสอนนะว่าคนสอนรู้มากรู้น้อยรู้ถูกหรือรู้ไม่ถูกอ่าถ้าไปเรียนกับคนที่รู้ผิดก็จะจ๊ก็จะผิดได้แต่ถ้าเรียนจากบุคคลห ร, หรือหรือนังสือของบุคคลที่มีความ ความมั่นใจว่าเป็นผู้รู้จริงก็จะจะปลอดภัยกว่าเรีนหนังสือของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระไตรปิฎกนี้หรือว่าหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านกระดูกกลายเป็นพระาธาตุไปแล้วอย่างี้ถ้าเรียนหนังสือเรียนจากแหล่งเหล่านี้มันก็ได้ของของแท้ของจริงถ้าไปเรียนกับแหล่งที่เรายังไม่มีการรับรองไม่มีใครรับรองว่าเป็นแหล่งที่ถูกต้องก็อาจจะ ได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์หรือหรือไม่ถูกก็ได้เะืั้นการเรียนเราก็ต้องรู้จักเลื้อเรียนแต่การเรียนมันดีกว่าไม่เรียนแน่นอนถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราจะอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าที่เราอ่านออกเขียนได้กันก็เพราะเราไปโรงเรียนไปกอไก่ขอไข่กันเราก็เลยอ่านได้เขียนได้กันการเรียนนี่ดีถูกต้องต้องเรียน เป็นแต่ว่าต้องรู้จักเลือกแหล่งเรียนว่าเป็นแหล่งที่ที่ถูกที่ดีหรือไม่เท่านั้นเองคำถามจากคุณพระเดชว่าอยากทราบว่าจิตดิ่งเป็นอาการยังไงขอความรู้หน่อยครับก็เหมือนเราตอนที่ดิ่งลงมาจากที่สูงอ่ะลองไปกระโดดเึกดูเลยจะรู้ว่ามันดิ่งยังไงาหาเบาะรองไว้นะอย่าถ้าไม่มีเบาะรอง กระแทกกับพื้นก็ตายได้เรือลิฟต์ก็ได้เนี่ยเวลาลิฟต์มันลงมาเร็วๆสังเกตเวลานั่งลิฟต์นั้นลิฟต์มันลงมาเร็วๆมันวู๊ดเนี่ยแล้วก็นิ่งมันดิ่งแบบนั้นเนี่ยดิ่งพระสุทาหรือไปหัดดิ่งพระสุทาก็ได้คำ ถ, ถามพักคุณต้นทุนกําลังของศีลห้าพอที่จะเป็นพระโสดาวันได้หรือเปล่าครับแล้วแต่ มันไม่ได้อยู่ที่ศีลห้ามันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่สมาธิมีหรือเปล่าถ้ามีศีลห้าแล้วมีมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิมีปัญญาเห็นตแล้วก็บรรู้ได้นีการจะมีสมาธิได้นี้มันบางทีศีลห้ามันไม่พอมันไม่พอที่จะทำให้มีสมาธิมีอัปปนาสมาธิได้เขาถึงมักจะมีศีลแปดกัน แต่พวกที่เขาเคยมีสมาธิมาแล้วนี่เขาถือสีห้าก็พอถ้าเ้ามีอัปปนาสมาธิมาแล้วเขาเข้าสมาธิได้เขาก็ถือสีห้าก็ได้ดังนั้นสีห้านี้มันแล้วแต่ว่าผู้ที่ต้องการสมาธินี้มีสมาธิหรือยังถ้าไม่มีสมาธิสีหานี้มันก็ยากกว่าสีแปดเพราะสีห้ามันจะทำให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิกัน สีนห้าเราก็ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าเราถือสินแปดเราก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมากๆถ้าเรานั่งมากถ้าเราถือสีนห้าแล้วเราก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปนอนกับแฟนมันก็เหมือนกับถือสินแปดอยู่ดีองนั้นก็พูดยากมาศีนห้ากับสีลแปดนี่มันอยู่ตรงไหนกันแนะ่มันอยู่ที่เราอะ ถ้าเราไม่ถือศีลอะไรเลยอะไรถือข้อเดียวคือถือสติตัวเดียวแต่เราไม่ไปทําอะไรเลยเราเดินยงกคมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนอันนี้จะเรียกว่ามีศีลหรไม่มีศีลก็ไม่สําคัญละให้เรามีเวลาปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญาตลอดวันทั้งวันทั้งคืนจะเรียกว่ามีศีลห้าศีลแปดหรือศีลสองยิบเจ็ดก็ไม่สําคัญละเข้าใจไหม คุณนารากรรมฐานกับเจริญปัญญามีประโยชน์ในด้านใดครับกรรมฐานก็เป็นตัวอารมณ์ที่จะทําให้เราได้ปัญญาเนยเช่นกรรมฐานอสุภากรรมฐานเนี่ยให้เราดูเพ่งให้พิจารณาความส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นให้พิจารณาหนังหนัง หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเรียกว่าอสุภกรรมฐานดูแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดกันเรามักจะเห็นร่างกายคนนั่นสวยคนนี้สวยก็เราเห็นเพียงแต่ผิวเราไม่ได้เห็นเข้าไปข้างใต้ผิวหนัง คุณพีโกอาหารอีสานยำกุ้งเต้นหรือยำไข่มดแดงคนขายกับคนกินบาบเท่าๆกันไหมถ้ากินแล้วทําบุญอุทิศให้กับอาหารที่กินช่วยได้ไหมครับคนที่ฆ่านะนะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครขายหรือไม่ขายคนที่ฆ่าสัตวนะ์น่ะคนนั้นบาปคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่บาปหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าไม่บาป เช้นเราจะขายพวกนี้เราไปซื้อของที่ตายแล้วมาขายไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาล่งหน้าก่อนว่าพวกนี้จะเอากุ้งกิโลอันนี้บาปเพราะเขาจะต้องไปทำตามที่เราสั่งแต่ถ้าเราไม่สั่งเขาเขาไปทำเองเขาก็บาปเราไม่บาปแต่ถ้าเราไปคร e a t e m นะครับเพื่อในการฆ่าก็ไม่บาปทุกคนเกิดมาต้องกินกันทุกคนคนไม่กินคนจะอยู่ได้ไง ทำไมก็คือก็ไม่ได้ปเในการฆ่าสัตว์คุณปลูกผักคุณไม่ฆ่าสัตว์แต่เวลาคุณไปขุดดินเนี่ยตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวสัตว์ที่มีอยู่ในดินนะแล้วเวล า, มาแมลงมามากัดผักคุณคุณก็ใช้อะไรกำจัดมันก็ไม่รู้หละก็ ถ้าคุณไม่ฆ่าก็ไม่บาปวัแลวกัน <Yeah. S 1> นั้นทาทำถนนก็ไม่ได้เลยทาถนนคนขับรถคอนอตายกันนคนถ้าสร้างถนนก็บาปสิ <Yeah. S 1> ขับผลิตรถยนต์ออกมาก็ไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วคนขับรถชนกันตาย <Yeah. S 1> อย่าไปให้มันไกลเลยเอาแค่ใกล้ๆก็พอคุณไม่ได้ฆ่าก็จบแล้ว <Yeah. S 1> ถ้าคุณไม่อยากจะสร้าง ความต้องการก็คุณจะ ก, กินผักก็ไม่มีใครว่าก็เกินไปส่วนคนหนึ่งเขาไม่กินผักเขาก็ไม่บาปถะถ้าเขาไม่ฆ่าแต่เมื่อไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ไปบอกเขาคนที่ไปฆ่าเขาอยากจะได้เงินเขาก็ไปฆ่ามาขายมันก็เรื่องของเขาการเรีเมลก็คือการสั่งรอบนอกเนี่ยไม่ได้สั่งผมไม่ได้สั่งคุณอะ่ะคุณไปทํามาเองอะ่ะ คุณอยากจะได้เงินจากเราคุณก็ไปซื้อไปเอาของที่เราอยากได้มาคุณไม่ขายถ้าไปขายของที่เขาไม่อยากจะซื้อก็ไม่มีใครก็ซื้อใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งคุณไปไปทํามาเนี่ยแต่ก็สั่งเขาไปอีกเรื่องนึงคุณไม่ต้องทําก็ได้คุณไม่อยากฆ่าคุณก็ไม่ต้องไปฆ่าเนี่ก็ไม่ต้องมาขายเนื้อขายอะไรไม่มีใครก็สั่งให้คุณไปฆ่าไปขายใช่ไหม S <S <S อ่าไม่ดีแต่ว่าคือผมว่าดูแมนค่อนข้าง important role เพราะว่าถ้าจะไม่มีดูแมนก็จะไม่มีการอ่าก็ว่าไปงั้นก็ไม่ต้องมาเกิดนะไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาฆ่ากันก็ไม่เป็นไรคุณจะว่าไงก็ว่าไปเราก็ไม่ได้เถียงคุณเมื่อคุณคิดว่าความต้องการทำให้เกิดการฆ่ากันคุณก็ไปหยุดความต้องการของคนในโลกนี้ให้หมดเล จะได้ไม่มีการฆ่ากันผมต้องเริ่มต้นจากการกินหยดตัวเองอก็ทำไปสิแล้ถ้าคุณก็กินผักไปก็แล้วกันไม่มีใครว่าอะไรรกษกหลวงพ่อครับเมื่อไรเมื่อหลวงพอ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อทาอะไระสาหรับสมาธิดีค ร, ครับก็เป็นสติไง ต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปเด้อถ้าอันนี้ก่อนที่จะมานั่งนะเราต้องฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่แต่พุทโธพุทโธไปพอมานั่งหลับตาก็พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรทุกเวลาลอ่ทุกเวลาเลย อ, อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึ ง, งเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเวลามานั่งมันก็คิดต่อ ถามันคิดมันก็ไม่นิ่งมันไม่สงบถ้าอยากให้มันนิ่งให้มันสงบต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเข้าใจไหอลองทําดูถ้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุทางท้องถนนก็อย่าผลิตรถยนต์ขึ้นมาเลยไม่ต้องสร้างถนนก็จะไม่มีคนขับรถชนกันตาย คำถามจากคุณขุนสึกสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไม่ได้เดินจงกรมแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับได้ทำยังไงก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณสิริพรขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจเกิดรู้สึกตัวว่าตัวที่นั่งอยู่หายไปแต่สติรับรู้ลมหายใจได้ชัดเจนเกิดตกใจว่าควรทำอย่างไรต่อดีจึงถอนออกจากสมาธิ เรียนถามว่าจริงๆควรทำต่อไปได้เรื่อยใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องยังรู้ตัวดีตอถูกต้องให้ดูรวมต่อไปความรู้สึกต่างๆไม่ต้องไปสนใจคำถามจากคุณพัทรพงกระผมอยากทราบวิธีพิจารณาอสุภกรรมฐานต้องทำอย่างไรเริ่มจากไหนไปไหนขอความเมตตาครับก็ไปดูอาการสามสิบสองของร่างกายพิจารณาดูทั้งสามสิบสองอาการ ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูง่ามดูหัวใจดูตับดูพังผืดดูไตดูปอดดูไส้ใหญ่ไส้น้อยดูอาหารใหม่อาหารเก่าที่สอดใสเนี่ยในร่างกายเรานี่มีไส้ไส้กรอกยาวเฟ้ยเลยรู้เปล่ากินไส้กรอกกันมีมีไส้กรอกอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นกเป็นไม่รู้กี่เม็ดเนี่ย อยู่ในร่างกายเราดูซิไม่เคยดูกันอยูอดูปอดบ้างดูหัวใจบ้างดูตับบ้างดูกระโหลกศีรษะบ้างดูคองกระดูกบ้างเราจะดูว่ามันสวยไหม ค, คุณสติเฟนตอบมาว่า Thank you I u n d e r s t a n ครับโอเคคำถามจากคุณจงสีนีการทำแท้งเป็นบาปในบางกรณีที่หมอต้องการทำให้เด็ก ไม่สมบูรณ์หรือพิการก็ยังคงเป็นบาปอยู่ใช่ไหมคะใช่ถ้ายังมีการฆ่าอยู่มันก็บาปทั้งนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลนั้นใดคำถามจากคุณชนาภาสมาธิสามารถเกิดตอนนอนหลับได้ไหมคะถ้าได้สามารถเกิดปัญญาได้หรือเปล่าคะไม่ได้หรอกเวลานอนหลับไม่มีสติไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคาถามจากคุณนกะ เรียนถามปัญหาทำเรื่องบุญกรรมคนเราที่ไปทำบุญใส่บาตรสร้างบุญด้วยกันมาตลอดถือว่าเป็นเรื่องของวาสนาหรือเปล่าคะแล้วมันจะตัดขาดกันได้ไหมคะ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องของความอธัธยาศัยเนี่ยคนชอบทำบุญเขาก็ทำไปตามอธัธยาศัยของเขาคนชอบทำบาปเราก็ทำบาปไปตามอธัธยาศัยของเขาถ้าเกิดไปทำด้วยกันมันก็ มันก็รู้จักกันแต่เหนียเวลาตายกันไปมันก็แยกกันไปคนละทางชาติหน้าจะมาพบกันหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ถ้ารู้ก็อาจจะไปทําบุญกันต่อเพราะชอบของอันเดียวกันคนที่ชอบสิ่งเดียวกันก็จะไปทําพร้อมกันได้ถ้าคนนึงชอบทําบาปอีกคนนึงชอบทําบุญเวลาเจอกันก็ก็จะไปคนละทางอยู่ดีคำถามจากคุณชนะตน เมื่ก่อนไม่ได้ฟังความจากพระอาจารย์แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยมรู้สึกการอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ยากตอนนี้ยมรู้สึกว่าลึกๆว่าไม่ควรหายใจทิ้งควรมีสติเท่าที่ระลึกได้เพราะชีวิตมันสั้นไม่รู้จะตายวันไหนอย่างนี้ถือว่าเป็นการภาวนามาย์ปัญญาไหมคะก็เป็นการรู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงแต่ยังละล ะ, ละความผูกพันกับร่างกายได้หรือเปล่า ถ้ายังตัดร่างกายไม่ได้ยังทุกข์กับร่างกายอยู่ยังกลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ก็ยังยังไม่เป็นปัญญาต้องเป็นถ้าเป็นปัญญาแล้วก็จะไม่ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บคําถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เราไม่ไปคิดถึงหรือยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาคราับก็ต้องบำเพ็เจริญสติอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาพอลืงตาก็พุทโธไปเลยอาบน้าอาบเท้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วต่อไปเราจะมีกําลังเวลามันจะไปคิดอะไรเราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้เรานีฝึกสร้างพุทโธขึ้นมาก่อนให้พุทโธมีกําลังพอพุทโธมีกําลังหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องพุทโธเราจะพุทโธเฉพาะเวลาที่จิตมันจะไปคิดอมไปคิดก็พุทโธเลย คำถามจากคุณลาวันการละความอยากได้ก็ต้องปล่อยวางได้เช่นเดียวกันเป็นความสงบที่ถาวรจะมีความสุขอย่างยิ่งใช่ไหมคะอลองทำดูสิคาถามจากคุณแมนตัมท่าหายปัจจัยเป็นเงินบริจาคเพื่อชำระนิสงหรือยอดบริจาคเพื่อสร้างโบสถ์หรือสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อประโยชน์แก่วัด ได้รับบุญต่างกับการถวายปัจจัยหรือสิ่งของสังฆทานไหมครับในเมื่อถวายสังฆทานต้องกวดน้ําแต่ถวายเป็นเงินบริจาคทําไมถึงไม่ต้องกวดน้ําครับก็กวดได้ไม่มีใครก็ห้ามให้กวดเนยกวดได้ทั้งนั้นพอทําบุญแล้วก็กวดได้แเอุทิศให้ขายได้ทั้งนั้นค่ะคำถามจากคุณยุทธเปิดร้านขายยาฆ่ า, มาแมลงบาบไหมครับ เราขายไม่บาปหรอกแต่คนที่ซื้อไปฆ่านะี่ยบาปแต่คนขายก็ส่งเสริมให้คนเข้ามาซื้อของที่จะไปฆ่ายันก็ไม่ควรจะทำอาชีพแบบนี้เพราะเป็นช่วยให้คนให้เกิดการฆ่ากันเราก็ไปขายอาชีพข า, ขายยารักษาโรคไปอย่าไปขายยาฆ่ า, มาแมลงคำถามจากคุณนะัทมนการแก้กรรมมีจริงไหมเจ้าคะ แก่กรรมมันแก้ไม่ได้หรอกกรรมนี่มันเป็นอดีตแล้วกรรมที่เราทํานี่บาปที่เราทํานี่มันผ่านไปแล้ว <c oughs> จะกแก้ได้ก็ บ, บาปที่เรายังไม่ทําก็อย่าไปทําบาปใหม่ถ้าเราไม่ทําบาปใหม่มันก็ไม่มีวิบากของบาปใหม่เกิดขึ้นแต่วิบากของบาปเก่านี่พอทําแล้วมันก็ต้องมีตามมาไปขโมยเงินเขาเดี๋ยวตํารวจก็มาจับไปเข้าคุกเข้าตารางถ้าเราไม่อยากจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเราก็อย่าไปขโมยเงินเขา คำถามจากคุณนรง์ชัยการทําบุญจําเป็นต้องเข้าวัดไหมครับไม่จําเป็นหรอกทาบุญได้ทุกที่ขอให้มีเงินแจกไทยก็ได้บุญแล้วเนี่ยเจอไทยที่ไหนก็อ่ะเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งเงี้ก็ได้บุญละคํถาถามจากคุณกุ๊กไก่ถ้าร่างกายเก่าชอบทําบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเปลี่ยนร่างกายใหม่จะปิดนิสัยเหล่านี้ในร่างกายใหม่ไหมเจ้าคะ มันผู้ที่ชอบทำบุญไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ชอบทำบุญคือใจร่างกายนี้ไม่เกี่ยวร่างกายเป็นเพียงลูกน้องที่ถูกสั่งที่ใจเป็นคนสั่งให้ไปทำพอร่างกายอันเก่าตายไปร่างกายใหม่มาใจก็ยังสั่งเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันเก่าใจที่อยากจะทำบุญพอได้ร่างกายใหม่ก็สั่งให้ร่างกายใหม่ไปทาบุญต่อ หมดแล้วเลยถามมาสิก็ที่ตาที่ขังตาบัวค่ะท่านบอกว่าสมาธิหายตอนที่ท่านไปทำโปรดนะคะตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันยังค่ะยังยังท่านยังไม่ได้สมาธิอ๋อแล้วแล้วคนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยสมาธิหายได้ไหมคะไม่หายแล้ว ก็เพราะว่ามันมีสติตลอดเวลาสติประครับประคองจิตตลอดเวลามีมาหม่เังไม่มีเนี่ยสตินี่จะเป็นตัวที่จะทําให้จิตสงบแล้วก็เป็นตัวที่จะสั่งให้จิตคิดไปในทางปัญญาพอคิดไปในทางปัญญา คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นโสดาบันขึ้นมาได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าไม่ได้เป็นเราเราทุกข์กับร่างกายของคนอื่นไหยคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาแก่เกาเจ็บ้็ตายเราทุกข์ไหมเพราะเขาไม่ได้เป็นของเราใช่ไหม แต่พอเขาเป็นของเราขึ้นมาทุกไหมถ้าเป็นแฟนเราขึ้นมาเนี่ยทุกไหมทุกทันทีเพราะเราไปถือว่าเป็นของเราเยเราต้องมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราเพราะร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเราเป็นใจเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่เขาผสมพันธุ์กันเนีย พอแล้พ่อแม่ผสมพันธ์กัน ก, ก็เกิดร่างกายขึ้นมาเราก็ไปก็เสียบปลั๊กติดไว้กับร่างกายเลยเรามีปลั๊กห้าตาห้าปลั๊กก็เรียกปลั๊กห้าห้าอะไรห้าขาเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายปลั๊กเนี่ยเสียบปั๊กมันก็รับผัดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาจากร่างกาย ท, าทันทีแล้วพอร่างกายตายไปก็เหมือนถอดปลั๊กร่างกายก็ไป เราก็ไปหาปั๊กอันใหม่หาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่กม็เสียบปั๊กใหม่ก็เกิดใหม่าจพอได้ร่างกายก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ยอมให้มันตายไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บก็เลยทุกข์กันพอมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเป็นเพียงร่างกายของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ไปเสียบปัก๊ก ต, ติดกับร่างกายนี่เหมือนกันเรา เสียบปลั๊กติดกับมือถือเนี่ยเพื่อจะได้ใช้หูฟังเนี่ยเท่านั้นเองพอเราถอดปลั๊กออกแล้วก็ไม่สามารถใช้ mm. ใช้ใช้โทรศัพท์พูดได้ละเพราะว่าไม่มันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีเสียสายเสียบต่อกันก็เ mm. ท่านั้นเองให้รู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายหมดเวลา